การปฏิบัติแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยทฤษฎีหลักการตามคำพีหรือประวัติศาสตร์อะไรทั้งนั้นเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องความรู้สึกตัวคือเป็นลักษณะของการเข้าไปสัมผัสของจริงซึ่งทิ้งทฤษฎีที่หลากหลายซับซ้อนเรื่องของ สมมติต่างๆแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเ่แต่เราก็ทำความรู้จักอีกมิติหนึ่งนะเพราะตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักชีวิตมิติเดียวคือมิติสมมติถ้าเปลี่ยนสมมอ น, นกก็คือเรามีปีกเดียวจะบินขึ้นไม่ได้อีกปีกหนึ่งมันพิการอันนี้พอเรามาศึกษาเรื่องปรมัติคคือความรู้สึกตัวเ เราก็มาซ่อมแซมอีกปีกหนึ่งให้เข้มแข็งขึ้นถ้าคนไหนที่ซ่อมแซมปีกนี้ได้เนี่ยความจริงแล้วก็มีสองปีกนี่แหละอีกปีกหนึ่งมันเป็นปีกที่พิการมันเลยบินไม่ได้เราก็ใช้ปีกเดียวจะไปไหนก็พาะเพาปีกเดียวแต่พอเรามาซ่อมแซมปีกนั้นให้เข้มแข็งแล้วเราก็บินได้เนี่ยนั่นก็คือปีกแห่งประมัดอันนี้ส่วนสมมุติเนี่ยมันก็จําเป็นแต่ว่าเราจะต้องแยกออก เหมือนกับไอผลไม้ผลหนึ่งเนี่ยมะพร้าวเนี่ยเราจะบอกว่าเปลือกมันไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ได้มันก็จําเป็นมันห่อหุ้มเนื้อมันเอาไว้เปลือกกลาเนี่ยทีนี้เนื้อมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างในนะประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่เป็นเปลือกและเป็นเนื้อมันห่อหุ้มกันไว้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเข้าไม่ถึงตรงเนื้อเพราะเราเข้าไปติดตรงสมมุติของชีวิต คือที่เปลือกของกะลาของมันแล้วก็คิดว่าชีวิตมีแค่นั้นนะเราก็เลยได้กินแต่เปลือกของชีวิตซึ่งตลอดชีวิตเราก็จะมีแต่ความอึดอัดขับคล้องมีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ตายไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะเหมือนกับคนกินเปลือกผลไม้เนี่ยนอกจากไม่อร่อยแล้วก็อึดอัดขับคล้องนะ นั้นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วท่านก็นมาบอกว่าชีวิตยังมีอีกส่วนหนึ่งนะที่เราจะต้องรู้จักทุกคนมีอยู่แล้วมันกระมาพร้าเนี่ยมันมีไนอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีมีดมีพระที่จะเฉาะไปถึงนั้นแล้วก็ขะแล้วก็กัดกินแต่เปลือกนะกัดกินแต่แทกินแต่เปลือกอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านให้ดาบมาให้มีดมา เราก็เอามีดเนี่ยมาลับมาฝนของตามความเปลี่ยนของแต่ละคนเมื่อมีดเราคมแล้วก็กระชับเอาเปลือกทิ้งไปนะเอากรลาทิ้งไปเอาแต่น้ําแต่เนื้อมันทานซึ่งน้ําเนื้อมันก็มีน้อยนะเปลือกกระลาเนี่ยเยอะอย่างที่เรากินมะพร้าวตอนเช้าขูดเอาเนื้อออกมาก็ไม่นิดนึงน้ําก็ไม่เต็มแก้วดีแต่เปลือกมันไปตั้งหลายแก้วนะสันใดก็ดีชีวิตของเราเนี่ย พวกเปลือกพวกกระพี้หรือสมมติเนี่มันเยอะนะทั้งแต่เกิดมาเขาก็เขาก็สมมุติให้เราละว่าเป็นคนเป็นมนุษย์ชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ชื่อนั้นที่นั้นเกิดวันนั้นวันนี้เลื่อยมานะสมมติเหล่านี้ก็พ่อปุณพ่อปุณแล้วก็จดจําำในเรื่องสมมติเหล่านี้แหละมาเรื่อยๆเราเป็นผู้หญิงต้องทำอย่างนี้ผู้ชายต้องทําอย่างนี้ผู้หญิงต้องแต่งตัวอย่างนี้ผู้ชายต้องแต่งตัวอย่างนี้ผู้หญิงต้องไว้ผมอย่างนี้ผู้ชายต้องไว้ผมอย่างนี้ มันสร้างสมมุติเรานี้หนานแน่นขึ้นหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราหลงว่าอันนี้เป็นตัวของเราจริงๆนะทีนี้เราก็แกะไม่เป็นนี่ยเราก็เลยตายอยู่ในแน่นเหมือนกับดักแด้ของตัวม่อนตัวไหมก็ เ, เห็นไหมเวลามันกินใบมอนแล้ก็ชักใยพันตัวปไปเรื่ยในสุดมันก็เขาก็เอาไปต้มเอาใยไหมไป ตัวมันก็ตายเป็นอาหารต่อไปมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าคนแล้วคนเล่าก็จะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้มันมีดักแด่บางตัวที่มันสามารถออกมาจากไอ้เป่ามันได้เนะี่ยมันก็บินได้ดักแด้เนะี่ยมันเหมือนกระดักแด้ของไอ้ผีเสื้อนะมันคล้ายเดียวกันผอมออกจากดักแด้นั้นก็บินได้เหมือนกันเราก็จะต้องออกสมมตินั้นให้ได้เราจะได้บินได้ จิตของเรามันจะได้ไปไปคล้องอยู่แต่ความคิดไปคล้องอยู่แต่สมมติเพราะนั้นวันๆหนึ่งเนี่ยการที่จิตของเราไปติดอยู่ในความคิดแล้วติดในสมมติคือหมายความว่านึกอะไรขึ้นมาก็จะทำตามมันนั้นคิดตามมันนั้น่พูดตามเรื่องนั้นแหละนี่คือปฏิสมมติเราไม่ได้กลับย้อนเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยว่าความคิดของเรามันคิดมาได้อย่างไรคิดเพื่ออะไรเราไม่ได้ย้อนสอนกลับเข้าไป ตอนนี้พุทธเจ้าท่านเลยตรัสรู้เราจะเห็นนัยยะสําคัญตอนที่พระพุทธเจ้าท่านก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านไปานางสุชาดาใช่ไหมลูกสาวของชาวบ้านเนี่ยเอาข้าวมาทุ ป, ปยาไปถวายท่านแต่ความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจไปถวายท่านหรอกเพราะนางสุชาดานี่ยอยากจะได้ลูกมีลูกสักทีก็เลยก็ไปถาม พระมนาจารย์ว่าอยากจะได้ลูกสักคนเนี่ยให้ลูกดีด้วยจะทําอย่างไงพระมนาจารย์ก็บอกว่าจะต้องทำเข้าบรรลุปยาชนิดดีที่สุดไปบวงสงเทวดาคือกันาน้ำโคจากพันตัวให้มันให้น้ำโคอีกร้อยตัวกินแล้วกันน้ำนงโคร้อยตัวที่กินนงโคพันตัวมาให้เหลือห้าสิบตัวเรื่อยลงมาเข้าไปลูกเศรษฐีก็ทําทได้จนกระทั่งว่า เหลือน้ำนมโคสิบตัวเนี่ยน้ำนมโคสิบตั ว, ม, ตวมาเคี่ยวกับข้าวแป้งสาลีจนกระทั่งได้ที่เนี่ยเขาเรียกว่านั้ำน้ำเป็นข้าวบรรลญปยาที่สามารถบวงสรวงเทวดาให้ได้ลูกเขาก็ทําทำแล้วไปถวายไม่ใช่ไปถวายไปบวงสรวงต้นไม้บังเอิญว่าไปบวงสรงต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นก็ไปเจอซึ่งเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือสมณะโคตมะซึ่งยังไม่ได้บรรลุธรรมหรอก ก็นั่งาภาวนาบำเพ็ญอยู่ตรงนั้นก็นึกว่าเป็นลูกเทวดาก็เลยน้อมเข้ามรุปรยาธิก็ไปถวายทีนี้ก็ตอนแรกกะจะถวายแล้วเอาถาดกลับแต่พอไปเห็นแล้วเกิดศรัทธาว่าเออมีลูกเทวดามารับจริงๆก็ถวายทั้งหมดเลยถวายทั้งหมดทีนี้พ อ, อท่านทานเสร็จฉันเสร็จแล้วนี่ก็ไม่รู้จะเก็บถาดนั้นไว้ทำไมเป็นถาดทองคํานางก็ไม่เอากลับ เพราะท่านเป็นสมนาเป็นนักบวชไม่ต้องการเงินเรื่องการทองอะไรทั้งนั้นแหละก็เลยตอนตกเย็นมาก็เลยเอาถาดนี้ไปเสี่ยงไปที่แม่น้ำในลันชาลาซึ่งอยู่ด้านหลังไม่ไกลจะไปอธิษฐานเสี่ยงบอกว่าถ้าข้าพเจ้าสามารถที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทิยานตัดกิเลสได้คายกิเลสขาดขอให้ถาดไปที่ทวนกระแส แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมอนุตรสมาสมพฎิยานตัดกิเลสไม่ได้ใครกิเลสไม่ขาดให้ถาดไปนี้ไหลตามกรแสแล้วก็อธิษฐานก็วางลงไปตามประวัติบอกว่าถาดมันเป็นยังไงนะคุณต้องมันไหลทวนหรือไหลาตามคุณต้องคุณต้องฝันไปเฉยเลยคุณต้อมได้ยินว่าถานมันไหลาตามน้ำหรือไหลทวนน้า อะไรดาวน้ำน้ำเป็นโกะเสร็จแล้วกถึงจะแล้วก็ไหลทวนอะไรทวนนะอ๋ออันนี้ประวัติศาสตร์เรื่มงใหม่ของเรนนี่นะเขาบอกว่าไม่ใช่วางลงนะคะวนไม่ใช่ไหลไปตามธรรมชาติกาก็ก็ทวนขึ้นมาทีหลังแล้วก็ท่นอธฐานเนี่ยครออออคุณต้อมเห็นด้วยไหมประวัติศาสตร์ตรงนี้ผมใสไม่เคยได้อ่านเท่าไหร่มะ่วง เพิ่มาใหม่ <c oughs> ก็หลังจากนี้ว่ามันไหลไปตามนิดหนึ่งกันนะก็ไหลทวนขึ้นมาพอไหลขึ้นไปนั้นบอกว่าไปไปถึงจุดหนึ่งใช่ไหมต้นน้ําแล้วก็จมลงแล้วก็ถ่านใบนี้ก็ไปซ้อนกันถ่านใบของหลายๆถ่านของผู้ที่เจ้าซ้อนกันตรงนั้นปรากฏ ว, ว่าที่ตรงนั้นการละนาค์วันนอนหลับพอดีใช่ไหมก็มาถ่านใบนั้นไปแตะหัวการละนา เออตื่นขึ้นมาอ๋อจะมีพุ้ทิชาติเสริมอีกองคนึงแล้วก็หลับต่อไปอีกนอันะนี้เป็นนัยยะนะเป็นนัยยะทำไมท่านจึงเขียนประวัติศาสตร์ตรงนั้นเอาไว้ก็เพื่อที่จะได้ฝังร่องรอยของสัจธรรมว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันจะต้องเอาท่าแท้ของตัวเองออกมาท่าที่มันจริงไงนะทำปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่มีทาแท้เนี่ยมันจะทายาก แล้วธาตุแท้นั้นยังไม่พอนะต้องกังใจเรียกว่าอธิฐานอธิฐานที่จะไม่ทําตามกระแสความอยากก็คือทวนกระแสความอยากนะแล้วก็ธาตุคือธาตุนั่นแหละก็คือธาตุธาตุแท้ของเราเนี่ยสัจจะธาตุาเนี่ยมีในใจของคนทุกคนปรมัตถธาตุเนี่ยมีทุกคนเราจะต้องทวนกระแสตรงเนี้ยแล้วก็ เมื่อทนกระแสแล้วทําไมธาตุอันนี้มันไปนแตะหัวการะนาการะไปว่าดํานาคะไปว่าอํานาจของสมถาถนเนี่ยเป็นอํานาจดําคนไหนไปลหลงไหลติดยึดเข้าแล้วนี่ก็เรียกว่าไม่ได้เกิดไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บได้ตายกันว่างั้นแหละเพราะไปเกิดเป็นพรมมันนานเหลือเกินหลายมือหลายแสนหลายล้านปีเตอนนั้นก่อนหน้าพุทธเจ้านี่ก็มีพวกพรมทั้งหลายนี่พวกสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็บําเพ็ญที่จะไปเป็นพรมทั้งนั้นแหละเสร็จแล้ว อาพุทธเจ้าก็ทําตามนั่นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าท่านก็มาได้เฉลียวใจว่าแม้แต่เกิดเป็นภูมิแล้วเนี่ยพอหมดอายุของสมาธิก็ต้องกลับมาเกิดอีกเยิ่งไรแต่เกิดอีกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ท่านก็ไม่เอาอท่านไปเรียนอาราลาดาบทกุธกาดาบทนะนั่นก็หมายความว่าธาตุทองคําธาตุแท้เนี่ยไปแตะหัวกระนาดเข้าอืมหมายถึงว่าธาตุของจิตของแท้ของเราเนี่ย ถ้าเราจะเอาจริงเอาจังทวนกระแสจริงๆแล้วเนี่ยตัวนาคะหรือกาลนาคตัวนั้ น, นะมันตื่นนิดเดียวแล้วมันก็หลับต่อไปอีกอ น, นะพอหลับสักพักอ่าแล้วก็ตื่นมาใหม่อย่างไม่ชี้นะไม่ชี้หลับสักพักหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาใหม่แต่บอกว่าไม่ชี้อย่าเราไม่ได้หลับคนตัง้งใจขึ้นมาอย่าหลับไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกกาละกาลนาคคือความความ ที่มันสงบความยึดติดในความสงบมันเป็นสิ่งที่เป็นอวิชชาบา ง, งั้นความรู้สึกตัวเนะี่ยไปแตะหัวอวิชานิดนึงมันก็จะตื่น ม, มันก็ไม่ตื่นนั่นหมายความว่าเราจะทําอะไรก็ตามให้ทวนกระแสความรู้สึกหมายความว่าอย่าทําตามในสิ่งที่เราคิดทุกเรื่องอย่าทําตามในสิ่งที่เราพูดทุกเรื่องนะพยายามทวนมันบ้างทวนถ้าทวนบ่อยๆคือตัวสมมุติเนี่ยมันเป็นกระแสที่ไหลใช่ไหม แต่ตัวปรามัตเ์มันเป็นกระแสที่ที่วนขึ้นเราก็ต้องมาตั้งอยู่บนกระแสของปรามัต์คือมาอยู่บนฝั่งทีนี้ในตัวปรามั์เนี่ยถ้าหากพูดตามภาษาของเขาเนี่ยดูเหมือนมันยากแต่ถ้าในภาคปฏิบัตินะมันไม่ยากก็คือเป็นสัมผัสได้สมมติว่ามากำมือเนี่ยอันไหนเป็นสมมติไหนเป็นปรมัด บอกดุกไหมความมือไงมือตัวไหนเป็นสมมติตัวไหนเป็ น, smooth, นปรมาัดทุกคนลองกํามือดูดิเจะได้สัมผัส ด, ด้วยกันได้เราจะได้ตอบถูกมือที่กําเข้ากําออกเนี่ยอะไรกำมือกำค่ะมือกำํำแล้วกาไหลด้วยมือกําไหลอันนี้เขาเรียกท่ามือกําเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แบบสมมุตินะฮะ ถ้ารูปแบบปรมามัดเรียกว่าอะไรอ่ะกก น, นี่เขาเรียกลูปประทมอ่าลูปธรรมมือไม่มีมีแต่ลูปเพราะอันนี้สมมุติเฉยๆนะสมมุติว่าเป็นมือแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าของร่างตัวนี้ไม่มีวิญญาณนะเราเรียกว่าอะไระเราเรียกตัวนี้ว่าอะไรเราเรียกว่าศพ <c oughs> จะไมไ่เรียกว่ามือ <c oughs> เรียกว่าเรียกว่าศพละมือส่วนไหนก็เป็นศพหมดแหละ เห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปตามนะั้นถ้ามีวิญญาณอยู่เขาเรียกว่ามือเอาถ้าตัดมือออกก็เรียกว่าข้ออย่างงี้ยนะแล้วเอาหนังออกเหลือแต่ข้างในแยกส่วนออกเอาหนังไปทางเอาเนื้อไปทางเอากระดูกไปทางหนึ่งมันก็แยกออกไปก็ไม่เรียกว่ามือละใช่ไหมแยกไปต่างสมุทรนั้นนนั้ไม่มีมือมีแต่รูปนะพอมันแยกเป็นอะไรเป็นรูปหมดทีนี้ เวลากำเข้าคำออกเนี่ยรู้สึกไหมตัวรู้สึกนี่คือเป็นอะไรรู้สึกบอกได้ไหมว่ารู้สึกมันเป็นตัวอย่างไ ร, เ, รไเห็นไหมตัวพลังวัดไม่ชีรู้จากพลังวัดแล้วนะแต่ <laughs> <laughs> ว่าหลับจะรู้จากพลมงวัดเหมือนกันนะ <laughs> รู้สึกใช่ไหมแล้วรู้สึกนี่บอกได้ไหมว่ามันมันรู้สึกอย่างไร เย็นร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเคลื่อนไหวใช่ไหมนี่ก็เป็นสมมุติอีกชั้นหนึ่งสมมติชั้นที่2เมื่อกี้สมสมมติชั้นที่1เราเรียกว่ามือใช่ไหมสมมติชั้นที่2ก็คือในมือนี่ก็เป็นรูปนี่ยรูปกระดูกรูปนะสมมุติชั้นที่3ก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงใช่ไหมทีนี้ไอตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงที่เราสัมผัสได้เนี่ยเราเรารู้ด้วยอะไร รู้ด้วยจิตใช่ไหมเขาเรียกว่านามนะรู้ด้วยนามแล้วนามตัวนี้มันก็อยู่ในนี่แหละเนี้ยมันก็ซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่าที่เป็นตัวปรมัตดทีนี้มันไม่มีตัวมันก็อาศัยรูปน่ยยกยกขึ้นยกลงอาศัยมือนี่แหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไม่สนใจมันนะถามว่าปรมัตดมีไหมปรมัตดกับนามเนี่ยมันต่างกันนามยังมีอยู่แต่ปรมัตดไม่มี รูปนามมีอยู่แต่ปรามัดไม่มีเพราะฉะนั้นนามมันมีอยู่ที่เป็นความรู้สึกเรียกว่านามแต่ว่าแต่ในตัวปรมัตดคือตัวรู้เข้าไปอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่าอามาจับปั๊กนี่ยมันก็จะมาตามเรื่องเนี่ยนี่มีแต่รูป ก, กับนามไม่มีปรมัตดแต่พอมาวางใหม่ที่ที่มาเอื้อมแล้วก็กําหนดรู้แล้วก็จับก็โยกมาอันนี้มีปรมัดแหล่ะใช่ไหม คือมีสติเข้าไปนี่เขาเรียกปรมัดนี่เขาเรียกนามแท้ๆเป็นนามที่ตัวที่สามตรงนี้เขาเรียกว่าปรมัดไอตัวเข้าไปรู้อีกทีหนึ่งนั่นแหะเป็นตัวปรมัตดแต่นามนั้นเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสัญชาติญาณ น, นามตัวนั้นะแต่พอเราตั้งใจเข้าไปรู้อีกทีหนึ่งในการกระทํานั้นไม่ว่ารู้อะไรกระดาปรมัตดเกิดล้วดังนั้น ปรมัดอยู่ที่ที่ว่าการกำหนดรู้เข้าไปรู้ในสิ่งที่มีตัวรู้อยู่แล้วเข้าไปรู้อีกทีหนึ่งนั่นเป็นตัวประมัดและตัวนี้แหละจะเป็นพลังทางสั่งสมเรื่อยๆมันจะเป็นพลังให้เกิดการทวนกระแสได้ถ้าหากตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้รับการสั่งสมไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการเจริญมันก็จะไม่มีพลังเพราะเป็นตัวตัวรูปนามเฉยๆก็จะไม่มีพลังเหมือนกับเด็กเกิดขึ้นมาเนี่ย สามขวบห้าขวบบอกไอ้หนูแต่แบกปูนมาให้ยาสักถุงดิเนี่ยเด็กแกแหวกแบกไหวไหมถามว่าเด็กมีกําลังไหมมีมแต่ว่ามันไม่น้อยมั น, ม, น ม, มันไม่พอถามว่าน้ํารูปน้ำเนี่ยมีกําลังไหมมีแต่มันไม่พอทีนี้ต้องอมาใสา่แต่ถ้าเด็กคนนี้มันจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยกินข้าวกินปลาตามปกติเมื่ออายุมันยี่สิบปีไอ้หนูไปแบกปูนมาให้สักสอบดิ แบกไหวมาที่นี้ไหวแลนะ้นั่นหมายความันจเจริญใช่ตัวปรมัดคือตัวรูปนำถ้ามันจเจริญบ่อยๆนะพัฒนาบ่อยๆมันก็จะมีกำลังจนกระทั่งว่ามันทวนกระแสของสมุติได้คือใจมันไม่ไหลไปตามนั้นเพราะตัวปรมัดเข้าไปเป็นที่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวนำของจิตเมื่อก่อนจิตมันไม่มีตัวเกาะเกี่ยวเหนี่ยวนาเวลาความคิด ไหลมาทีไรมันก็จะไปกับความคิดหมดมันไม่มีพลังเลยถามว่ามันมีปรมัตดอยู่ไหมมีแต่ว่ามันไม่มีกําลังคือนามตัวนั้นเป็นปรมามัดโดยสัญชตาตญาณจะไม่มีกําลังทุกคนมีปรมัดโดยสัญชตาตญาณแต่ว่าไม่ใช่เป็นปรมัตดที่เป็นวิปาาัสนาญาณเป็นเพียงสัญชตาตญาณเป็นปรมารมัตดเหมือนกันแต่ปรมามัตดของสัญชตาตญาณดังนั้นเราก็เริ่มโทษจากตัวนั้นแหละถามว่าราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยถ้า เรามีปรมามัดแบบสัญชัตญาณเนี่ยเราทวนกระแสไหวไหมก็ไม่ไหวเพราะมันไม่มีกําลังความรักเกิดขึ้นเราก็รักไปตามโกรธ เ, เกิดขึ้นก็โกรธไปตามเกลียดเกิดขึ้นก็เกลียดไปตามคิดเกิดขึ้นก็คิดไปตา ม, ไ, ตามไม่มีกําลังต่อสู้เลยไม่มีกําลังที่จะมาต้านทานเมื่อเรามาทํางนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ากําลังของตัวปรมัตดที่เป็นปัญญายานก็เริ่มเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เมื่อกำลังมันมีมากขึ้นมันก็ต่อมันก็ทวนกระแสะได้มากขึ้นเมื่อทวนกระแสะได้มากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะไม่ไหลไปตามกระแสะของความโลภความโกรธ ค, ความดงไม่ไหลไปตามกระแสะของราคะโทสะโมหะจิตของเราก็เริ่มมีกำลังนี่คือความหมายในยะที่พระสมณโคดมพระองค์ท่านลอยถาดคือความหมายอย่างนี้ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเห็นเรียกอาจารมาไปถามว่าหาม ถามปัญหาสั้ น, นๆซื่อๆเนี่ยถามบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะอะไรอามาก็บอกว่าเพราะความทุกข์ครับอตอบอย่างมั่นใจเลยนะฮะเพราะความทุกข์มันบอกว่าไม่ใช่เอาทำไมอ่ะก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะทนกระแสะจิตของตัวเองเราะงั้นเอาได้ปัญหาให้เขาได้คําตอบอ๋อทนกระแสะถ้าไม่ทนกระแสะเนี่ย พระงค์จะไม่สําเร็จแล้วก็งานการงานทุกอย่างที่เราเรียนสําเร็จมาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวสําเร็จมาได้ระดับหนึ่งเรามีการทวนกระแสคือฝืนใจอย่างเราไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่ฝืนใจเราจะสําเร็จไหมไม่นะไม่เราไม่ไปโรงเรียนเพรไม่ฝืนใจโอ้มันยากฉันไม่เอาฉันไม่เรียนอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ฝืนใจเรียนแล้วก็พยายามอดทนสู้อยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะสนุกก็ไม่ไปบางครั้ง ทวนได้แล้วก็ทำให้เรามีสมาธิการทวนนี่จะทำให้เกิดพลังการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาเนี่ยโอ้ถ้าหากว่าเราไม่อดทนไม่ทนกระแสเขก็ทิ้งหมดแต่ที่เราเลี้ยงครอบเรื่องครัวเรื่งรอเงเราก็ทนกระแสได้ระดับหนึ่งแต่ทวนในระดับสันชาตยานคือทวนแต่ในกระแสะอ่อนๆอย่างสมมติว่าน้ำเนี่ยในคลองหน้าบ้านเราเนี่ยมันแค่กางแข้งกาขงขาแค่หัวเขาเนี่ ต้องได้ออกแรงไหมเวลาเดินทวนมันอะไม่ต้อ อ, อกเพามันแค่นี้มัไม่เดินข้ามป้อป้อ ป, ปไปมันจะไปออกยากอะไรใช่ไหมน้ํามันตื้นอะแต่ถ้าน้ำน่ะมันเพียงอกเพียงแอวหรือท่วหัวเราที่มันไหลแรงๆอ่ะเป็นไงเราจะเดินข้ามชุบชุบชุบไหวไหมไม่ได้ต้องได้ออกแรงแล้ใช่ไหมต้องออกแรงต้องตรงว่ายต้องทวนกระแสเต็มที่กระแสมันแรง S <S <an> เหมือนกันในชีวิตประจำวันของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทนได้ง่ายๆเรื่องทำมาหากินเรื่องเรียนเรืงซือเรื่องการทําการทํางานเรื่อ ง, ง, อ, ง อ, อดทนในบางสิ่งบางอย่างเราทําได้แต่ว่ามันเป็นกระแส ต, ตื้นๆนีไ่ไงมันก็ทนได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ว่ากระแสของความทุกขความโกรธควหลงปเป็นเป็นเป็นกระแสที่ใหญ่เป็นกระแ ส, ท, ะแสที่ลึกถ้ากําลังเราไม่แรงพอเนี่ยมันก็จะต้านมันไม่ได้ดังนั้นจําเป็นเราที่จะต้องฝึกฝนตัวปรมัดจากระดับ สันเจตยานให้เป็นวิปัสนาญาณเราถึงมานั่งทํากันนี่ไงที่เรามานั่งทํานเรามานั่งทาตัววิปัสนาญาณนะนะแล้วก็ไม่ต้องมาลําดับวิปัสนาญาณกี่ขั้น่ะเราเอาตัวปรมัตดนั้นมาเป็นอารมณ์เลยทีเดียวเราถึงม่แบบเอานั้นเป็นนิมิตเอานั้นเป็นกสินเอานั้นเป็นอารมณ์แม่เอาตัวรู้สึกเนี่ยเป็นเป็นอารมณ์เอาตัวปรามัดเป็นอารมณ์อย่าลืมว่าการเจริญสติแบบนี้เอาตัวปรมัตดเป็นอารมณ์นะ ตั้งแต่ต้นเลยนะทําไมวิธีการของหลวงพ่เทีนยนจึงง่ายและไวเพราะเราเอาตัวปรมัตดเป็นอารมณ์แล้วปรมัดตรงนี้ไม่ต้องนึกเอาด้วยทำเอานะแต่ขอให้รู้จักตัวมันจริงๆว่าอย่างที่มาถามเมื่อกี้ถ้าเราจับมาเลยเนี่ยมีไหมมีปรมัตดสัญชาตญาณแต่ถ้าเราจับอีกทีนึง่งเราก็ตั้งใจจับแล้วก็รู้สึกขณะที่จับรู้สึกขณะที่ยกแล้วรู้เสือ่อมเสื่ของปรมัดจะเกิดทุกครั้ง ทุกครั้งถามว่าถ้าเราอยู่บ้านน่ะเราขายของเราเสิ ร, ร์ฟอ า, า, าหารเราตำน้ําพริกเราหั่นผักแล้วเราตั้งใจทําเนี่ยถามว่าปรมาจเกิดไหมเกิดเป็นกรรมฐานไหมเป็นแต่ว่าทําได้ยาวไหมสําสคัญตรงนั้นถ้าดําได้ทั้งวันก็หมายความว่าก็ยิ่งยอดเยี่ยมกว่ามานั่งปฏิบัติที่นี่อีกใช่ไหมแต่การสําคัญเป็นยังไงมันทําได้แป๊บเดียวนะทําได้ทีสองทีลืมละ ถ้าอะไรบุกเวิกไวๆก็ไปสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมเหตุการมันเกิดขึ้นไวมากเพราะอะไรเพราะกระแสมันเชี่ยวกําลังมันไม่พอใช่ไหมใช่เอามาเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งใช่ไหมว่าที่ว่าพระกับโยมไปฟังธรรมะด้วยกันนะใช่ไหมฟังฟังมาแล้วหลายครั้งเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพระเนี่ย เข้าใจสถิติฐาน4อีกแบบหนึ่งท่านก็ไปนั่งบำเพ็ญหนงท่านปรากฏ ว, ว่าไปเอากัดสินมาเป็นนิมิตของอารมณ์ก็เลยได้สมาธิขั้นสูงแต่เป็นโลกิยสมาธิอยู่สามารถบรรลุฌานขั้นสูงสามารถแสดงฤทธิ์อะไรได้แต่ว่าโยมคนนั้น ฟังกรรมฐานเอาเอาประมัิเป็นอารมณ์จะจับจะช่วยจ ะ, وي, จะอะไรยังรู้สึกตัวหมดนะตลอดเวลาเพราะมีความเชื่อมั่นในสิ่งพุทธเจ้าตรัสสอนมากไปทำในเวลาเท่ากันสามปีเท่ากันกับพระแต่ปรากฏว่าพระเนี่ ย, ยังเป็นปุถุชนอยู่เหมือนเดิมแต่ยมผู้หญิงคนนี้เป็นพระอนาคามีเป็นพระในเจ้าชั้นอนาคามีนะเห็นหมต่างกันคนคดเรืองเลย เพราะว่าท่านเอาวัตถุเป็นเป็นนิมิตเป็นอารมณ์ใช่ไหมมันก็มันเป็นวัตถุอยู่มันก็ไม่พ้นไปจากตัวมันก็ไม่เป็นปรมัตแต่โยมคนนี้จะจับจะช่วยรู้แต่จิตไม่ได้ไปอยู่กับวัตถุตัวนี้นะแต่จิตอยู่กับอะไรความรู้สึกความรู้สึกของมือที่ไปไม่ได้เอามือเป็นนิมิตด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาสิ่งที่จับเป็นนิมิตด้วยแต่เอาความรู้สึกที่ไปของมือมือนี่เป็นเพียงเครื่องหมายและเครื่องมือใช่ไหมวัตถุที่ทํานี่ก็เป็นเพียงเครื่องหมายของนิมิตของ นะที่จะเข้าไปทําแต่ว่าความรู้สึกที่จะทําเพราะฉะนั้นเองถ้าจับประเด็นตรงนี้ได้ในการปฏิบัติของเรามันจะไหวมากเลยแต่ที่แล้วมามันไม่ไปไหนเพราะอะไรเพราะเราแยกปรมัดไม่ออกถ้าหากจับที่แล้วมันก็เป็นหนังสือทุกทีใช่ไหมเอาอะไรจับเพราะเอามือจับทุกทีมันไม่ได้เอาความรู้สึกจับนะมันก็เลยเนี่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันเป็นปรมัดเป็นอารมณ์ให้อันนี้ก็ไม่ใช่มือเป็นอะไร เป็นรูปสิ่งที่จับนี่ก็ไม่ใช่หนังสือเป็นอะไรเป็นรูปเมื่อลบก็เมื่อมีความรู้สึกตัวรูปแตะรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นอะไร<ม>เป็นปรมาจารยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราอย่าไปคิดเอาว่ามันเป็นนั้นเป็นนี้คิดว่าเป็นรูปอย่างเดียวมือเราไปจับก็รูปตัวรู้สึกมันก็จะย่อเหลือสมมติเหลือรูปกับนามใช่ไหมแล้วมันก็จะง่ายขึ้นทีนี้มันยากตรงไหน ยากตรงนีะกะแสของความเคยชินมันแรงมันสูงมากและความเคยชินนี้จะเอาชนะได้อย่างไรความเคยชินนี่มีกี่ระดับนะความเคยชินมีสามระดับระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดระดับหยาบท่านเรียกว่าอวิชาธันหาประธานกรรมระดับกลางท่านเรียกว่าสัญโยระดับละเอียดท่านเรียกว่าอาสาวะ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ระดับละเอียดก็คือใต้อยู่ใต้ดินคือรากของมันเลยเรียกว่าอสวรพ้นจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นเลยระดับกลางจากต้นขึ้นมาไปกิ่งก้านสาขาระดับหยาขึ้นไปก็มี3ระดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะฆ่าต้นไม้นี้ให้ตายเนี่ยเราจะตัดตรงไหนมันถึงจะตายแบบเด็ดขาดตัดรากมันนะแต่ทีนี้ จะขุดลงไปยังไงเสียมก็ไม่มีจอบก็ไม่มีเราก็ได้แต่ตัดต้นตัดกิ่งมันเลื่อยไปใช่ไหมตัดแล้วก็งอกอีกแต่และวงอกอีกเงจนกระทั่งเราเรามาเจริญวิปัสนาเราได้เสียมได้จอบขุดลงไปนั่นก็คือได้ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานีนคือเสียมคือจอบคือเรื่อยที่จะไปตัดตัดรากมันก็คือตัดความเคยชินนะดังนั้นก็คือการกำลุรู้บ่อยๆนั่นเองกำลุรู้จะจับอะไรการกำลุรู้ทุกครั้งเราตัดความเคยชินครั้งหนึ่ง การที่ไม่กําหนดรูล้ลงไปในการสัมผัสอะไรเราก็ไปให้กําลังของความเคยชินมารั้นหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นระหว่างที่เราตัดกําลังก็พออคูนกําลังในไหนมันมากกว่าในชีวิตวันของเราเนี่ย <c oughs> นี่มันยากดูนั้นเองนะเพราะทําอะไรไม่ได้รู้สึกในการทำเนี่ยมันเป็นการ พ, อพ่อคูนให้กําลังความเคยชินแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำไงตัดก็ทุกครั้งพอนึกได้ก็กําหนดเลยไป ตั้งแต่ลุกแต่นั่งแต่ย่างในวิธีการอุเิเหตุจะจะซอยในการเคลื่อนในทียิบเลยแต่ทําด้วยการศึกษานะไม่ได้ทําด้วยการเพ่งนะถ้าทําด้วยการเพ่งการตั้งใจอยากจะได้เนี่ยไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นสมถะไม่ใช่วิปะนะัสสนาวิปัสสนาต้องทําด้วยการศึกษาจะรักษาศีลก็ต้องศึกษาศีลรักษาสมาธิก็ต้องศึกษาจิตและรักษาความรู้ก็ต้องศึกษาปัญญาเขาเรียวกว่าไริกขาใช่ไหม ที่ศีลสีส่ขาที่จีแต่สี่ขาที่ปัญญาเนี่ยตามหลักของผู้เที่ยวเป้เลยเราเราเรากําหนดรู้ในสิ่งเนี้ยเราต้องการสมาธิหรือเปล่าเราต้องการปรมามัตดหรือเปล่าถ้าเราต้องการถูกหรือผิดฉนันกําหนดรู้จับหนังสือจับหนังสือเนี่ยเราต้องการให้ได้สมาธิเนี่ยถูกหรือผิด มันเอาล้วถ้าต้องการมันเอาแล้วนะมันกลับเป็นความโลภพอมันพอไปจับไม่มีสมริด ป, ปั๊บเป็นไงเสียใจโอ้เราขาดสติอีกแล้วอ้าว พ, พ่อพูนเข้าไปอีกให้ศึกษาโอ้แล้าจะศึกษาดูว่าไอ้จับมันเป็นยังไงศึกษาดูลองศึกษาดูไปเรื่อยๆนี้ถูกคือทําเพื่อการศึกษาไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาถ้าที่เราปฏิบัติธรรมนี่มันช้าเพราะทําเพื่อจะได้ทำเพื่อทํจท ำ, อทำจะได้อันนั้นอันนี้มันก็เลยไม่ได้ถ้าจะเอามันไม่ได้ แต่ถ้าจะได้นั่นไม่ต้องเอาแต่ศึกษานะเพราะฉะนั้นเราเองก็รู้สึกว่าช้าตรงที่ว่าศึกษาช้าไปนหน่อยการศึกษาเริ่มขึ้นตอนไหนรู้ไหตอนที่เราฝึกตัวเองฝึกตัวเองเป็นนะถ้าเมื่อไรเริ่มฝึกฝนตัวเองนะ่ะนั่นแหละเราเริ่มเข้าสู่ทางของพระอริยะละเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าคนไหนที่บวช เป็นพระเนี่ยผมพระเหลืองตั้งแต่วันแรกนะเขากราบเลยแต่แรกตอนขอบวชนี่คนขอบวชนี่กราบพ่อกับแม่ใช่ไหมขอพระใจพอหมพระเหลืองเสร็จเอาพ่อแม่ต้องกราบลูกไอ้มันเป็นเรื่องตลกกันยังไงตรงนี้ท่านบอกว่าใครก็ตามเนี่ยรับผ้ากาสาวะของพระพุทธเจ้ามาห่มเนาะหมายคือว่าคนนั้นปฏิญญาตนว่าจะฝึกตัวเองเขาจะเป็น คนเริ่มประเสริฐตั้งแต่วันนั้น <c oughs> คนไหนก็ตามที่เริ่มเริ่มฝึกฝนตัวเองปฏิญาณที่จะฝึกฝนตัวเองคนนั้นเป็นคนประเสริฐตั้งแต่วันนั้นคนที่จะฝึกฝนตัวเองคนนั้นสมควรจะได้รับการกราบไหว้นี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าเลยว่าวิชาจารณะสัมปนโนทันโตเศธโหมนุสเสสุ ในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคนที่ฝึกฝนด้วยวิชาและเจรณนะฝึกฝนตนเองด้วยวิชาและเจรณนะไม่เคาฝึกฝนทั้งความรู้ด้วยฝึกฝนทั้งการประพฤติด้วยถ้าฝึกฝนแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ไปประพฤติก็ไม่ได้ประพฤติอย่างเดียวได้ขาดสติปัญญาก็ไม่ได้ไม่สมบูรณ์ท่านจึงบอกวิชาจรณนะสัพนทันโตเศโหมนุเสศุในบรรดาหมู่คนทั้งหลายคนที่ฝึกฝนด้วยวิชาคนนั้นเป็นคนประเสริฐจะเป็นคนประเสริฐได้สมควรได้รับการกราบไหว แต่ถ้าเราไปกราบพระเนี่ยถ้าองนั้นไม่ไม่ฝึกตัวเองเลยเนี่ยได้บุญเหมือนกันแต่ได้น้อยได้แต่เราฝ่ายเดียวแต่ถ้าหาพระองค์นั้นฝึกฝนตัวเองด้วยเราก็กราบด้วยเราก็ได้บุญสองส่วนเราก็ได้เราก็ได้อันนี้สงฆ์จกทันด้วยนะได้สองส่วนนั้นเราจะเห็นว่ามันมีที่ไปที่มานะไม่ใช่วแบบ่ากราบไหว้กันไปตามประเพณีไม่ใช่มันที่ที่ไปที่มาดังนั้นการฝึกฝนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะ อยู่แต่คนบวชเท่านั้นคนไม่บวชก็ฝึกฝนได้แต่ว่าคนที่บวชเนี่ยหมายก็ฝึกฝนมากกว่าฝึกฝนทั้งศีลฝึกฝนทั้งสมาธิฝึกฝนทั้งปัญญาฝึกฝนทุกอย่างเข้มเข้มงวดนะดังนั้นเองในจุดนี้เราจึงต้องทวนกระแสถ้าไม่ทวนกระแส น, นี้ฝึกไม่ได้นะฮะดังนั้นใช้คําว่าการศึกษาใช้ก็เทรนนิ่งสาววศึกษานะั่นท่านท่านไม่ใช้คําว่าสตูดี้เหมือน ในในศัพทั่วไปนะในพุทธศาสนาการศึกษาท่า น, นใช้คาว่าเทรนนิ่งมีการฝึกตัวเองเซลเทรนนิ่งทะานั้นเองจึงอยากอย่าให้ลองฝึกทำแบบฝึ ก, ท ำ, บบฝกทำแบบศึกษาอย่าทำแบบอยากได้วันนี้ปฏิบัติไปยังไงโอ้ไม่เข้าท่าไม่ได้อะไรเลยถูกต้องนะพูดถูกนะมันไม่ได้เลยในะแสดงก็ถูกต้องแล้วนะวันนี้ได้สมาธิดีมากนี่พอวันต่อมนจะอยู่ไหมสมาธิไม่อยู่แล้วมันก็หมดไปแต่ วันนี้เป็นไงเออก็รู้สึกตัวนะรู้สึกดีแต่ว่าวันต่อไปอาจจะไม่ดีชั่วโมงต่อไปอาจจะไม่ดีแต่ให้รู้มันมันเกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้เท่านั้นเองดังนั้นการมาฝึกตัวรู้นั้นเพื่อให้รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเท่านั้นเองแล้วก็ฝึกเรื่อยๆฝึกสติไว้เรื่อยๆไม่ใช่ฝึกสติไม่ใช่ให้สติมันมากนะเพื่อให้อะไรเพื่อให้รู้เท่าทันมากๆ ให้รู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทันแต่ฝึกมาเยอะแยะแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ทันเลยเนี่ยใช้ได้ไหมเป็นสติเหมือนกันแต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดเกิดตั้งร้อยครั้งพันห์แต่รู้เท่าหนเดียวอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าฝึกสติแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาก็ไม่สําเร็จประโยชน์แต่ฝึกเนี่ยฝึกความรู้สึกตัวมากแต่ให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดไม่รู้เท่าทันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นยานปัญญาและยานปัญญาตัวนี้มันก็จะไปตัด ตาของความเคยชินะเอ๊ะเมื่อี่เผลอไปแล้วนี่มึงเริ่มรู้ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้เราเผลอใช่ไหมเลยตามเลยไปเลยแต่เดี๋ยวนี้เราเผลอนี่เผลอหน่อยก็เริ่มรู้แล้วรู้ก็กลับมาฝึกตัวเองให้รู้ใหม่อเดี๋ยวก็เผลอใหม่ก็ฝึกหมาอยู่เงี้ยฝึกแล้วเผลอเผลอแล้วฝึกฝึกแล้วเผลอเผลอแล้วฝึกร้อยครั้งบันโหนหมื่นครังแสนหนเนี่ยมันก็จะเกิดความเชนิดชำนาญเมื่อเกิดความชินํางานแล้วทีนี้มันก็เริ่มจิตมันก็เริ่มใกล้เข้ามาเลยทีเมื่อก่อนจิตมันอยู่ไกลอยู่ เพราะอะไรเพราะว่ามันไปกับอดีตอนาคตแต่พอเราฝึกอยู่ใกล้ตัวเข้าตัวเข้ามันเริ่มมาอยู่ใกล้ก็อยู่ใกล้ปั๊มเนะอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเห็นนะนั้นในเรื่องเหล่านี้อามาจึงไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องทําเล่นเล่นสนุกนะให้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างจรงิงจังแต่ว่าอย่าอย่าเอาเราจริงจังในการศึกษาแต่ว่าเราไม่ได้เอาในสิ่งที่ที่ศึกษาเอางี้สมมุติว่าโยมเนี่ยยังขับรถไม่เป็นนะขับรถไม่เป็น ทีนี้เวลาขับคนขับเขาก็เอาคู่มือขับรถมาให้โรงเรียนสอนขับรถนะนะให้อ่านอ่านจนจบนี่แหละเข้าใจหมดอะครับแล้วก็ก็เอารถให้อ้าวเขขับเลยขับได้ไหมไม่ได้ทีนี้เราไม่ต้องไม่ต้องอ่านคู่มือเอ่อเรานั่งไปกับคนขับรถแล้วก็ถามว่าไเรื่อยๆนะถามทํายังไงอ้าวแล้ก็ฝึกขับบ้างขับบ้างสอนทุ่นั้นไปไม่นาน แล้ก็ได้ทีนี้มันไม่ใช่ได้วันเดียวนะมันความชํานาญเนี่ยมันมันเกิดขึ้นทีนิดทีนิดเห็นไหมจากเดือนเป็นวันจากจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีถามว่าไอ้สิ่งที่เราขับรถได้เนี่ยมันเกิดจากการจําหรือมันเกิดจากความเข้าใ จ, า ใ, จใช่ไหมความเข้าใจคั้งทั้งที่เราน่านํำราจำได้ทั้งเร่อเลยนะแต่มาไปขับขับไม่ได้ แต่ว่าถ้าหากว่าทําด้วยความเข้าใจอันนี้มือนกันปฏิบัติธรรมต้องทําด้วยความเข้าใจคือหมายความว่าการที่จะเข้าใจได้ต้องฝึกสิ่งนั้นบ่อยๆใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เข้าใจตามตำรานะเข้าใจตำราก็ทําไม่ได้เหมิฉะนั้นพวกมหาประโยชน์เก้าก็บรรลุทำหมดแล้วเนาะเพราะจําตําราได้ทั้งหมดนะตำราท้องพรไตรปิฎกได้ด้วยแต่ก็ยังเป็นปุถุชนเหมือนเดิมแต่ชาวนาปอยสี่ทําสิ่งนั้นบ่อยๆบ่อยๆเข้าเบเข้าเกิดความชฉื่อยเฉนาญแล้วก็รู้จักรักษา นะรู้สักษาใจรู้จักดูใจเพื่อจะฝึกใจรู้จักเห็นใจตัวเองชัดเข้าชัดเข้าก็เลยเห็นทั้งตัวเป็นปรมัตทั้งหมดเป็นรูปเป็นนามแล้วมาเป็นปรมัตทั้งหมดคือรู้สึกตัวทั้งหมดรู้สึกเฉยๆนี่นะแต่ถามว่าตัวรู้สึกเนี่ยเวลาใช้มันบ่อยๆมันก็จะเกิดความชํานาญและความชํานาญตัวเองเองเราเรียกว่าปัญญายานหรือยานปัญญาแล้วมันจะทําหน้าที่ของมันเองเหมืนอมนกับโยมขับรถไปเนี่ย พอมีอะไรอ่ามาสวนมาแซงหรืออะไรปั๊บเนี่ยมือเท้าที่มันไปเหยียบเบเหยียบคัดจับตัวนั้นอยนี้เราต้องได้สั่งมันไหมต้องได้กําหนดไหมมันเป็นอย่างมันไปของมันเองใช่ไหมทําไมมันไปอะ่ะใช่ไหมในเขาเรียกว่าปรามัดเขาเรีย <c oughs> <c oughs> กว่าปรามารัดคือมันเป็นไเขรคมันเองอใช่โอตโตเมันชินนะนั่นไงนะนี่แต่อันนั้นปรามัดในฝ่ายลูกไม่ใช่ปรามัดในฝ่ายน้ําแต่ที่เรามาฝึกเนี่ย เราต้องการให้เกิดความเคยชินแบบปรมัตดคือมันเป็นไปเองพอพอความคิดเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันรู้เองมันก็ไปดับของมันเองพอความโกรธความโกรธขมขื่เกิดขึ้นมาปั๊บไอ้ความเคยชินในทางปรมัตดมันจะไปจัดการของมันเองนี่เขาเรียกว่าเป็นปรามัตดไม่ต้องแต่ถ้าหากว่ายังมันไม่เป็นปรามัตดเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องสั่งมันอยู่ตอนที่เราฝึกขับรถใหม่ๆนะยังไม่ชินใช่ไหม ก็งงอะใช่ไหมเวลาเราเส้ก็ย <Pedro. S 1> ังงงๆ JI นึกขึ้นได้เอเหยีบตรงนั้นเพราะนั้นอักเสบันก็จะเกิดตรงนั้นแหละตรงที่เรางงนั่นแหละนะแต่คนไหนที่ขับรถชานาญแล้วก็เขาไม่เคยเกิดนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักตัวปรามัดแล้วเนี่ยการจัดการการฝึกฝนกับตัวเองเนี่มันก็สนุกเพราะว่าอะไรเพราะกําลังมันพอๆกันกําลังของสมมุติกับกําลังปรามัดเนี่ยพอๆกันและพอกําลังของปรามัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสมมติก็จะอ่า น้อยลงไปกระแสของสมมติก็น้อยลงไปน้อยลงไปไม่เชี่วละทีเนี่เหมือนกับคนะได้เรือละที่นี้ยได้เรือน้ําจะเชี่ยวจะกลาขนาดไหนก็ไม่กลัวละที่นี่อยู่บนเรือมีไม้พายคัดไทยคัดซ้ายคัดขวาห้ามน้ําไปได้ไม่ต้องลำ บ, บากเหมือนกันถ้าเราได้ปรามาจก็เหมือนได้ได้เรือนั่นแหละที่นั่งเรือเพราะฉะนั้นขอวงพ่ะเทียนท่านก็เลยสรุปคําสอนท่านสั้นว่าจําได้ไหมไมิชฉีฟังมาบ่อยต้องจําได้คุณต้อมจํา ตอนจำได้ไหมอ้าวคุณต้องไปอีกแล้วคุณท่องงงชันเฮ้ยล่าผิดกันช่วงนี้กําลังทีสามทีสี่วันเราเยอะว่าจิตเป็นอะไรจิตเป็นนายกายเป็นกายเป็นเรือไม่ใช่เป็นบ้าวจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้พายนะเห็นไหมคือสรุปไว้สั้นจิตเป็นนายนั่งหัวเรือเลยว่าจะให้ไปทางไหน กายของเรานี่เป็นเรือขี่เรือนะแล้วก็สติเป็นถังเสือก็พายไปนั่นสรุปไว้สันส้นๆเหมือนั้นสําหรับประมัดนะฉังนั้นที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เอานะโอ้นนี้ไม่ได้อารมณ์เลยเนี่ยเรียกว่าดูไม่เป็นอารมณ์มันเกิดตลอดมันทําไมจะไม่ได้ความเจ็บความปวดเกิดให้เห็นความเบื่อความเซ็งเกิดให้เห็นความเจ็บความคันเกิดให้เห็นความง่วงความเหงาเกิดให้เห็นความคิดความฟุ้งซ่านเกิดให้เห็นตลอดแต่เราไม่ได้ดูมันนี่เห็นไหม ทีนี้ถ้าฝึกดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเป็นไงสีเหล่านี้มันเกิดมันก็เห็นเห็นเห็นฉะ น, นั้นมาพูดกระยมดอลล่าวันก่อนน่ฝึกแบบนี้มันมี2ลักษณะคือ To Be หรือ To Know เจ้าแบบไหนถ้า To Be คือเป็นในอะไรมันเกิดมาก็เป็นคนคิดวกับไปกับความคิดาการกระทำวกับไปกับการกระท ำ, ทำนี่เขาเรียกทเป็นในสิ่งนั้นาหมดมันก็กลายเป็นตัวอัตตาใช่ แต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันลูกเดียวก็เรียกทุโนนะเพราะฉนั้นเราก็เอาตัวทุนโนนี่แหละคือการรู้รู้รพอรู้ก็รู้จักพอรู้จักก็เข้าใจพอเข้าใจปั๊บก็ไม่ไปตามมันนะอันนี้คือลักษณะของตัวปรมัตดที่เราจะต้องฝึกฝนซึ่งไม่ยากมาว่านะไม่ยากแต่ที่นี่เราจะเอาจริงไหมเราจะอยากจะดับทุกจริงหรือเปล่าอยาอ่าใครพูดวันก่อนคืออาจารย์สุธิวัตรใช่ไหม ที่ว่ายายคนหนึ่งแกไปวัดเบือบ่ อ, อ, อ, อลูกเบื่อหลานนี่กันทุกเลอเกินแลวไงไปส่งข้าวหลวงตาที่ไหนก็นแวะที่โบสถ์ออยากจะไปนิพพานเลอะเกินแล้วเอาอนะใช่ไหมก็ <c oughs> คนที่เกตพี่เลนก็ไปอยู่ยด้านหลังเพระาอาไปก็รีบๆมาพระจะพาไปนิพพานโอ้อันนั้นก็ยังไม่ได้ทาอันนี้ยังไปไม่ได้หรอกเห็นไหมอันนี้มันอยากเฉย มนยังไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นถ้าอยาไปนิพพานจริงๆก็คือทําได้ทุกขนาดไปนิพพานได้ทุกขนาดแต่ก็สังสมไปทีล็กๆนิดๆเนี่ยแค่สัมผัสปรามาตัตก็สัมผัส น, นิพพานละใช่ไหมนิพพานาวัตถุไม่ใช่นิพพานหรือว่าปรา ม, ามัตมีสีลักษณะหนึ่งรูปจิตเดรัดิก จิตเตสิกรูปนิพานสอย่างเนี่ยเป็นปรามัตดจำให้ดีนะจิตเป็นปรมัตดจิตเจตสิกรูปนิพานจิตคือตัวรู้ทางตหูจมูกเลี้ยงกายใจเนี่ยก็เป็นปรมัดเจตสิกคืออาการของความที่มันคิดมันนึกเนี่ยปรุงแต่งมันก็เป็นปรามัดรูปที่เราเห็นเนี่ยยังไม่แยกนะอันนี้เห็นถ้าเห็นเป็นหนังสือเป็นปรมัดไหม แต่เห็นเป็นยังไงถึงจะเป็นปรมัตดเห็นเป็นรูปอ่าเป็นรูปเนี่ยนี่เห็นปรมัดละแต่เห็นโอ้หนังสือดีไม่ดีมันจะมีปรุงแต่งต่อไปนี่เขาเรียกเห็นปรมัตดเห็นเออเพราะอะไรเพราะมันมีสีใช่ไหมแล้วก็มีอะไรด้วยมีแสงเพราะฉะนั้นรูปได้แก่สีกับแสงมาบวกกันก็เป็นรูปเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่าเอามาปิดไฟนะจะเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมไม่เห็นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นความหมายของรูปก็มีสองคือสีกับแสงเท่านั้น นำมาบวกกันเข้าเราก็ไปแยกเอาว่าโอ้เป็นหนังสือไปนะอันนี้ก็เป็นสมมุติไปละถ้าเห็นว่าเป็นรูปอ่าเป็นปรามาัดแล้วก็จิตเจตสิกรูปนิพานก็เป็นปรามาัดก็คือความรู้สึกที่เราเราสัมผัสเนี่ยมันเป็นเป็นปรามาัดคือนิพานอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องประณีตละเอียดอ่อนเท่านั้นเองที่เราไม่คุ้นเคยเมื่อเราไม่คุ้นเคยก็ทําบ่อยๆ ทำบ่ isty, ints, อยเข้าบ่อยเข้าก็สัมผัสได้ยังเมื่อก่อนในบางคนที่ไม่เป็นไอ้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็รู้สึกไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยเพราะมันยากแต่สัมผัสบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่เข้ากลายเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมกลายเป็นเรื่องสนุกเมื่อก่อนเด็กคนเอามาคนหนึ่งเราไม่อยากเด็เข้าใกล้เลยเหมือนกันนะเพราะอะไรดูมันงงหมดแต่พอสัมผัสบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเริ่มรู้อ๋อเริ่มสนุกเหมือนกันตัวปรามัดเหมือนกันสัมผัสมันบ่อยๆอยากจะให้ปฏิบัติธรรมสนุกนะสัมผัสอะไรสัมผัสปรามัดบ่อยๆแต่่ไมต้องยาก ทำเล่นๆทำสนุกๆไปนะปฏิบัติธรรมก็มันกันทำไปทำมาวมันก็สนุกเพราะอะไรเอามาทำทั้งวันก็ไม่เบื่อไม่เหนื่อยนะเพราะอะไรทำไปมันเจ็บตรงนั้นมันปวดนี่ก็นวดเล่นไปมันปวดหัวไหล่ก็นวดหัวไหล่ไปก่อนมันง่วงก็ขยี้ตาเล่นไปก่อนอนี่ไงนะมันเบื่อก็เดินวกเวียนสักพักมันง่วงก็บีบรมบีบปีจมูกบ้าง ไม่ชีไม่ยอมปิดจมูกตัวเองเลยเวลาง่วงมีใจได้หลับลูกเดียวแต่เอาเมือผิดจมูกนิดเดียวมันก็ตื่นแล้วใช่ไหมเอาเนื้อไม่ออกตัวนี้เขาเรียกวขาดปรมัดคือไม่รู้ท่าทันในสิ่งที่เกิดสัญญาไม่ได้ก็เลยขาดอนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ว่าคนหนุ่มคนสาวปฏิบัติได้ไวเพราะว่าตัวสติธัรมญาณมันยังสดอยู่แต่พออายุมากๆเข้าเนี่ยสติธรรมญาณมันล้า ม, มันไม่มีกำลังมันมาช้าเหมือนกันเถอะนึกแด้เป็นบางอย่างบางอย่างก็นึกไม่ทันตรงนั้นเองตรงนี้ก็พยายามให้กระตุ้นตัวเองบ่อยๆแล้วก็พยายามทําอะไรเล่นๆบ้างอย่าไปทําจริงจังเกินไปนะจับเล่นบ้างนึกเล่นงนะ่ายๆเนี่ยการปฏิบัติทำบางครั้งเราจะบอกว่าเล่นๆก็ดูประมาทไปนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะต้องทาให้ทําสนุกๆทำแบบแลเล่นมันจะจะได้ตั้งใจทําจริงจังไม่ได้อีกแล้ เพราะอะไรเพราะมันตกไปสู่ความโลภไปนะมันอยู่ความโลภความอยากไปเลยมันจริงจังเกินไปนแต่ในเรื่องการปฏิบัติธรรมต้องทําแบบไม่ทําภาษาเซนเรียกว่าทําแบบไม่ทําทําแบบลิ้นลิ น, อ ย, นอย่างพ่อเทีนว่าจะไปทําจริงทําแบบลิ้ น, ล, นลินเดินจงครมสร้างจังหวะก็ทําไปมันปวดขาก็ดู่นวดเล่นไปอย่แหละทําอยู่ขาเล่นไปพอหายไปก็ทํำไม่มันก็ทําได้ทั้งวันนะมันไม่ยากเลยนะ ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวปรามัดของเรามันยังน้อยอยู่มันนึกไม่ทันอย่างไม่ชี้ว่ามันมาไม่ทันมันนึกไม่ออกอืเมื่อออกก็ต้องมาก็โยนก้อนหินใส่หลายก้อนึงยังไม่ค่อยตื่นเท่าไรนะวันนี้ตื่นนิดหนึ่งก็เป็นพยาหน้ากันตื่นนิดออกพุทธิเจ้าเกิดขึ้นแล้วเลยก็หลับต่อไปอีกแต่ไม่ชี้หลับนี่แปลกนะยิ้มได้นะเอ้ามา การง่วงในการยิ้มได้ซึ่งพิเศษมากลักษณะพิเศษมากเลยนะซึ่งเราเราจะเห็นคนง่วงคนนั้นน่าจะเบื่อจะบูดใช่ไหมแต่พิ่ชี้หน้าบานหน้ายิ้มประหลาดดีจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เห็นว่ามันก็พยายามเมื่นกันนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงนะอันก็อยากจะให้ศึกษาดูนะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องได้ในชีวิตนี้แหละนะ แต่ใครจะได้เร็วได้ช้าขึ้นอยู่กับว่าใครเล่นเป็นหรือไม่เป็นเล่นมันบ่อยๆคนไหนเล่นบ่อยก็เป็นไวคนไหนนานๆเล่นทีก็ก็จะเป็นช้าหน่อยนะเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่ามหาศาลพูดแล้วพูดอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรของดีจับมันเลยเนี่ยโอ้โน่าเสียดายจริงๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านช่วยคนท่านไม่ใช่ว่าจะท่านจะมีเมตตาเลยท่านเสียดายชีวิตของคนนะฮะ ว่ามันมีของดีขนาดนี้เกิดม า, าการครบสามสิบสองไม่บอดไม่หนวกไม่เบี้ยไม่เสียจริตเนี่ยมันวิเศษขนาดไหนแล้วคนดีง่อยเปี้ยเสียจริตคนประสาทพิการสมองพิการกายพิการแยะแย่ไปหมดอแต่ว่ากายพิการไม่เป็นไรทั้าประสาทสติสัม่ัแยบปกติอย่างคุณออะไรกัมพลนะใช่ไหมกัมพลทองบุญ น, นุ่มนอนอล้อเข็นตลอดแต่ว่าพลิกมือแค่เนี้เนี่ยอยู่สามเดือน บรรลุทําได้เดี๋ยวนี้เขาเข็นแกไปประเทศไปออกรายการทั่วประเทศไทยเลยนะคุณกําพลดองบุญนุ่ ม, มว่าหลังจะเปิดไอซีดีให้ดูเพระนั้นเองถ้าหากว่าพี่คนพิการไม่ไม่สําคัญแก่าให้ใจพิการอย่าให้สมองพิการใช้ได้่างกายนี่ไม่เป็นเพรนั้นในเราซึ่งสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจนี่นะไม่พิการทั้งกายทั้ง ใจทั้งลูกทั้งน้ำเนี่ยมันก็จะต้องไหวกว่าถ้าเรามีความพยายามเพราะนั้นมันต่างกันที่พยายามต่างกันนะเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งยุ่งยากยิ่งสับสนยิ่งางานเยอะๆอย่างโยมคีมเนี่ยยิ่งดีนะเข้าใจธรรมะได้ไวเพราะอะไรเพราะมันมีตัวกําหนดเยอะอันนั้นเคยทําก็กําหนดรู้เข้าไปเรื่อยๆนะแต่คนที่ไม่ค่อยมีงานดิบไปดูทําช้าเพราะอะไรมันไม่มีอะไรกําหนดนะมันก็จะแต่ยิ่งกําหนดได้ไวก็ยิ่ง อ๋อนั่นแหะต้องไปนั่งทําเยอะย่อยบ่อยนะไปนั่งสร้างจังหวบ่อยบ่อยเลยให้ต่อเนื่องกันนานๆเก็มีโยมคนหนึ่งที่คนที่พิมพ์หนังสือถวยายแตมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เจ้าของโรงพิมพ์ใหญ่ใหม่ใจก็คอมเพนมาเอ้ยหลวงพ่อผมเป็นชาวบ้านคือหาน ง, งานเยอะเนี่ยผมจะก้าวหน้าได้ไหมปฏิบัติโอ้มาก็เลยเขียนไปห้าหข้อบองแกแกก็ไปทําตามได้อาทิตย์หนิโอ้งพ่อสนุกมากเลยทีนี้อามาบอกว่า ทุกครั้งที่เอื้อมมือไปจับอะไรให้คิดว่าเรากําลังสร้างจังหวะนะท่องไปในใจเลยยิ่งมันยังเป็นช้าวันทำไมจจะเอื้อมมือไปจับไปทําอะไรให้สร้างจังหวะถ้าอีไวทํำไวก็สร้างจังหวะไว้ใช่ไหมทุกครั้งที่จะก้าวเท้าไปที่ไหนให้คิดว่าเรากําลังเดินจงกรมนะถ้าจะไปคิดเป็นอื่นไปเอานั้นใจมันไปทางอื่นได้ใช่ไหมแต่คิดว่าเดินจงกลมใจมันจะอยู่ที่ไหนทีเท้านะคิดว่าสร้างจังหวะใจมก็จะอยู่ที่มือเพราะสร้างความเคยชินนี้ตอนนี้แกก็เลยสนุกกับการปฏิบัติ ที่หนังสือเคลื่อนไหวแค่พิมพ์ถวายนั่นน ะ, ะแค่พิมพ์ถวายแล้วก็แกก็ขอไปจําหน่ายบั่งปรากฏว่าไม่ถึง2เดือนพิมพ์เข้าครั้งที่3แล้วเหมั้นย่อจํำน่ายสูงแล้วเงมือนเลยเป็นเบสเซอร์ไปเลยหนังสือเคลื่อนไหวเลืม่มนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะเลินสติให้เป็นเรื่องที่สบายๆง่ายๆแต่ที่เอามาทําให้เป็นเรื่องยากเพราะอะไรเพราะคนที่มาสอนยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเอามาสอนตามความจํา ไม่ได้สอนตามที่ตัวเองรู้มันก็เลยทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทําเรื่องที่มันมันเห็นเห็นเนี่ยให้เป็นเรื่องลึกลับไปมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเองเอามาว่าทุกคนมีความหวังนะแล้วก็คนที่มาร่วมอย่างนี้ก็ถือว่าใจเต็มร้อยมาได้นะมันยากขนาดไหนแต่ละคนชีวิตในอเมริกาไม่ใช่ชีวิตธรรมดาใช่ไหมมันมีเงื่อนไขยุง่งยากซับซ้อนแต่โยมก็มาได้แสดงว่าใจรับเรื่องนี้ร้อยปอร์นะเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวก็คือ จะต้องเอาไปฝึกเอาไปทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันเคลื่อนไปร้อยครั้งพันหนมันจะรู้สักสิครั้ง20ครั้งช่ไหมไหมนะแต่ฝึกรู้บ่อยๆฝึกรู้บ่อยๆต่อไปร้อยครั้งมันอาจจะรู้สักห้าสครั้ง60ครั้งขึ้นไปเรื่อยๆจนในวันไหนมันเคลื่อนร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งนั่นแหละสําเร็จละใจมันจะบรรลุอะไรไม่บรรลุอะไรช่ไหมแต่ขอให้มันรู้เท่าทันทุกครั้งที่เราที่เราเราเคลื่อนไหวแค่นั้นพอใจละนะเรเดินทุกครั้งแล้วก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเลย นะมาโอ้โหปฏิบัติธรรมมีความสุขนี้ทํำไมเขาไม่ปฏิบัติกันมันรื่องอะไรเสียเงินเสียทองความสุขแบบได้พอเปล่าเนี่ยทาไมเขาไม่เอากันแต่ไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของใช้ยากอีกใช่ไหมแล้วความสุขก็ได้น้อ ย, อยใช่ไหมยมคิมรู้จักดีใช่ไหมเ <c oughs> ออิ่งได้ยิ่งยิ่งทุกข์บางทีนะแต่ปฏิบัติธรรมยิ่งได้ยิ่ ง, งสุขแต่ทําไมเราไม่เอามันง่ายๆดีแต่ขันก็บอกโอ้วาสนาบรารมีไม่ถึงก็ไปนัองอ่งดีแหละ แต่ควาจริงก็ขี้เกียจฝึงนั่นแหละนะฮะเรก็ไป่เอาว่าเสมาบา ร, รมีไม่มีทุกคนมีวาสนาบาบ ร, รมีมาแล้วถ้าเราไม่มีวาสนาบาบ ร, รมีเลยมาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์อย่างนี้ได้งไงใช่ไหมครบหมดอ่ะนะตาหูอะไรทุกอย่างครบหมดนี่บา ร, รมีดีแล้วมีหลวงพ่อคนหนึ่งหลวงพ่อกลมเอ่อยชื่อนะปฏิบัติมาได้สักปีเศษเนี่ยโอ้ทอเดินโยงกรมสร้างจังหวะทั้งวันมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทอ เข้าไปลานหลงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนผมผมคงไม่ไวหวผมสึกอ่ะอ้าวอายุวันนี้ยังสึกอีกแกอายุหกสิบป่าแล้วตอนนั้นนะผมไม่มีวาสนาบารมีแล้วนะอลอพ่อเทียนก็ถามว่าวาสนาแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่สั่งสมมาคนก่อ น, อ, นอ้าวสั่งสมอะไรอ่ะอะสั่งสมความดีอ้าวทาไมไม่เริ่มวันนี้แหละพาอบารมีมแปลว่าขยันนี่นะขยันสั่งสมสติตั้งแต่วันนี้ไปแล้ว พอถึงเวลานั้นมันจะรู้เองนั่นเรียกคนมีบา ร, รมีคือขยันทําในชนนั้นทตั้งแต่วันนี้ไปเรารู้ว่าไม่ได้สั่งสมมาก่อนใช่ไหมก็ทำเยอะๆเขาบกว่าเพระเราไม่ได้สังก็ต้องทําปัจจุบันทำให้เยอะๆคนที่จะเป็นเศรษฐีได้ไม่ใช่ว่าลูกเศรษฐีใช่นั้นใช่ไหมคนจนก็เป็นได้ถ้าเขาขยันกว่าลูกเศรษฐีใช่ไหมแล้วลูกเศรษฐีมีโอกาสเป็นคนจนได้ใช่ไหมถ้าไม่ขยันแบบนี้กัอนพ่อหลวงพ่อเทียนพูดแค่นี้ไปทำได้ประมาณสักสิบห้าวันเก็ตเลย สนป่านนี้แกก็เป็นหลวงตาอายุแปดสิบ่านี้ไปเทศไปหลังกล่องแล้วเดนนี้นะฮะหลังไปที่ไหนหลังถือไม่เท้าไปสอนทุกทั่วทิศแหละหเรื่องขอพวกกลุ่มใชมเพราะฉะนั้นบา ร, รมีแปลว่าขายันทำในจุนั้นขยันรู้เนี่นะเด่ะใช้ขยันรู้ไปเรื่อยๆแต่รู้แบบมันมันเดียวรู้แบบเป็นสายนะให้รู้แบบสบายๆถ้ารู้ตั้งใจรู้แบบเป็นสายนี่เดี๋ยวได้ปวดหัวเพราะอันนั้นเป็นอุปท า, านเพราะตั้งใจเกินไป ถ้าตั้งใจเกินไปก็ไปดูผรานนะคือหมายเขาว่าทําให้รู้เฉยๆทําให้สบายๆหลุ่มๆมภาพไปว่างช่างมันถ้าตั้งใจใหม่าพาดไปช่างมันตั้งใจใหม่เรื่อยไปจนกระทั่งว่าเราได้ความเคยชินชนิดใหม่แทนที่จะเป็นความเคยชินแบบสรรชาติยานแต่เป็นความเคยชินของปัญญายาและวิปาาัสสนาญาณเราต้องการตรงนี้แล้วความเคยชินของปัญญายาเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปรมัติ ที่มันสมบูรณ์นะดังนั้นก็เกิดนําเรื่องนี้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละเป็นเรื่องที่ง่ายๆสบายๆแต่ทําบ่อยๆขยันรูบ้บ่อยๆมันจะยากสําหรับคนที่ไม่ขยันเท่านั้นแต่คนขยันทําขยันรู้เนี่ยขยันก็เรียกวิริยะนั่นแหละนะวิริยะและขณะที่ทําแล้วก็ให้มีตัวอะไรมีสติสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นหมดะ ถ้ารู้มันรวมความเขาว่าสติสมถิปัญญาในตัวรู้นั่นแหละไม่ต้องไปแยกว่ารู้อย่างนี้เป็นสตินะรู้อย่างนี้เป็นสมาธินะรู้อย่างนี้เป็นปัญญามจะสับสนซับซ้อนขึ้นไปอีกให้รู้กันแล้วกันนะในตัวรู้ในยูนิตนั้นนะมันเป็นทั้งสติสมถิป <glo om berger> ัญญาในตัวมันเสร็จเราบอกว่าเมล็ดข้าวเนี่ยไม่ต้องไปแยกเออนี้เข้าเปลือกนะอันนี้เปลือกนี่นีข้าวสารนะอันนี้สีขาวไม่ต้องไปแยกเม็ดข้าวก็คือเม็ดข้าวสติก็คือรู้สึกตัวก็คือสติสมถิปัญญาในตัว ไม่ต้องไปแยกมันเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้คิดว่าจะนำเรื่องนี้มาปะกรบเพราะเรามีเวลาสั้นต้องนำเรื่องนี้มามามาชี้ให้ชัดลงไปแล้วเราจะได้ไม่ลังเลแค่นี้ก็พอแล้วเนาะ